หยู่บ้านทำสมาธิกันหรือเปล่านั่งสมาธิกันไหมฮะ อ, อะไรยอนช่ อ, นงองพิจารณามรณะนุสติมันจะได้กระตุ้นเตือนจิตใจให้ไม่ประม า, นาทนะพี่นัดถึงความตายอยู่นในเรื่องนี้ถ้าไม่พิจารณาความตายหรือมรณะ น, นุสติมันก็จะเพลิดเพลินไปในแต่ละวันแต่ละคืนจากวันเป็นอาทิตย์จากที่เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมันก็ปรุงแต่งไปแต่ว่า เดี่ยวปลปีเดี๋ยวต้นปีหน้ามันไม่ได้คิดถึงมรณานุสติถ้าคิดถึงมรณานิสติสติมันจะกลับมาอยู่ปัจจุบันพรมีสติอยู่ในปัจจุบันอนาคตไม่แน่นอนไม่ต้องห่วงกวล น, นักวางแผนการวางโครงการไว้ได้พอวางแผนการวางโครงการไว้แล้วในเดือนหน้าปีหน้าเสร็จ แ, แล้วให้ตั้งสติมาอยู่ปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันในมันก็เป็นเหตุอ่า ที่จะก่อให้เกิดอนาคตนะทําปัจจุบันให้มันดีนี่คนเราส่วนมากอยากปูนแต่งไปเรื่องข้างหน้าลืมคิดว่าเดี๋ยวเราชีวิตไม่แน่นอนเราก็จะประมาทจะนิ่งนอนใจจะปล่อยเป็นเวลาให้ล่วงเลยไปเดียเปล่าประโยชน์เนี่ยแต่ที่เราบางทีไม่ค่อยขยันกันทําความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาก็เพราะว่าเราประมาทแค่ น, นี้นี่ถ้าเราพิจารณาว่าเออตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดเนี้ย เราได้ทําคุณงามความดีไว้พร้อมหรือยังถ้าร่างกายเราแตกกระจายลงไปในปัจจุบันเนี่ยจิตเราพร้อมไหมจิตเรามีบุญกุศลพอไหมที่จะไปเกิดในสุคติภพรเราได้สร้างบุญบารมีไว้พร้อมหรือยังถ้ามันยังสร้างไม่พร้อมเนี่ยเราจะได้พิจารณามรณะทุสิไม่ประมาณแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะถ้าเรานิ่งนอนใจเนี่ยเราไม่ทําคุณงามความดีไม่รักษ า, มมาถิ่นสมาธิเจริญภาวนาเกิดอุบัติเหตุเดือดเดียนแลไม่เสียชีวิต เกิดโรคภยัยคือเกิดเปลียนเียนให้เสียชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยถ้าเราพิจารณาโมนะานสติกมันก็กระตุ้นเตือนติดใจว่าเราต้องทำปฏิบัติให้ดีที่สุดเนี่ยคุณงามความดีอันใดซึ่งเราจะควรกวายได้เราก็พยายามเจริญธรรมคุณงามความดีของคนเบื้องต้นเลยนะคนจะดีได้ก็จะเป็นคนที่มีสินสินสาหรับคนที่เหมาะสมที่ที่สมควรคือ การมีสิหนห้าเป็นปกติการมีสิหนห้าเป็นปกตินั่นแหละจึงจะเป็นคนดีได้เมื่อมีศินเมื่อเรารักษาสินเป็นปกติเป็นประจําโดยสม่ําเสมอเป็นปกติก็มันก็จะทําให้ใจเรามีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งโทษทุกแห่งการผิดสินไม่มีนะสินเนี่ยมันมันควบคุมได้แค่กายวาจาะนะคือมันควบคุมใจไม่ให้ทาผิดทั้งกายทั้งวาจาน เนะี่เพราะว่าถ้าเรามีสินเนี่ยเรามีความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่กระทําผิดเทตธรรมแล้ไม่เกินขอบเปลี่ยนเทตธรรมถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราไม่กระทําร้ายร่างกายใครไม่ทำร้ายชีวิตใครหรอกพอใจสิ่งที่เรามีอยู่แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาความสามารถเราที่บุญเกิดหาได้เนี่ยทั้งหมายถึงว่าความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่แข่งแย่งทิงดีกันไม่ทําร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตกันเพื่อต้องการสิ่งต่างภายนอก หรความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ทําให้ร่างกายกันไม่ตบายชีวิกันเพราะเรามีตินตินมันคุมไว้ตินมันคุมกายวาจาให้สงบ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราสังเกตดูให้ดีใจเราไม่สงบแม้เรามีตินหน้านะเดี๋ยวใจเราฟุ้งซ่านตรงแต่งไปเรื่องส า, าพักเรื่องเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างบางทีคิดในเรื่องที่เราไม่อยากคิดเรื่อฟุ้งซ่านคิดในเรื่องที่เป็นนากุศลเนี่ย จิตใจมันฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติฉุกคิดขึ้นมาหน่อยเราก็จะพอมีปัญญาเนือน้อๆบ้างแหละว่าออจิตของเราทําไมเราควบคุมไม่ได้จิตของเราปัจจณาความสุขแต่ทําไมมันทุกข์ใจมันไม่สบายใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายใจถ้าเราก็จะเห็นว่าศีลเนี่ยมันยังระงับความทุกข์ในใจเราไม่ได้ศีลมันยังระงับความทุกข์ในใจเราไม่ได้นะ มันควบคุมได้แค่ไม่เอากายเบียดเบียนชิดเปืนแม้เอากายไปรักทรัพย์ไม้เอากายไปหลอกลวงกลมเหงใจเปื่อนแม้เากายไปดื่มยาเสพติดของเมาทั้งหลายทั้งปวงอันนี้กายสงบวาจาเนี่ยไม่พูดโกหกก่อให้เกิดความเสียหายนี่วาจาสงบนะแต่ใจเนี่ยคนเรามีกายวาจาควบไว้ได้วยสินแต่ใจไม่สงบใจไม่สงบเนี่ยมันพุ่งพ่านวุ่นวายมันมีความหลงกับอารมณ์ เรารู้ใจเราไม่สงบเราต้องหาทางว่าทํายังไงจึงทําให้ใจเราสงบเราจะควบคุมใจเราได้ยังไงที่จะไม่คิดในสิ่งที่ไร้สาระไม่ปรุงแต่งไปในดีในพจนมากมายจนเกิดไปนัดไม่ฟุ้งซ่านไม่มีจิตใจมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราจะคุมใจยังไงเราต้องหาวิธีคุมใจหาวิธีที่จะคุมใจเราให้ได้การที่จะ มีสติปัญญาที่จะคุมใจอ่ะนะที่จะกั้นกองสิ่งที่ไม่ดีจากใจกั้นกองความทุกข์ออกจากใจได้ต้องทําสมาธิสินห้าในสินแปดคุมได้แค่กายวาจาต้องการคุมใจต้องทําสมาธิสมาธิจะคุมใจได้ให้เรากําหนดสติอยู่กับกคงฐานบนไดบนหนึ่งซึ่งถูกกับนดเองของเราเล่นกําหนดสติอยู่กับลมหายใจก็ออก หรือกำหนดสติเดียวกับคำบริกรรมภาวนาพระพุทธโธมีเวลาก็สำรวมในบทนั่งสมาธิเดนกลมนะเราก็สำรวมในบทนั่งสมาธิเดนกลมฝึกสติทำสมาธิภาวนาทำอยู่เสมอเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากมีเวลาก็ทำอยู่เรื่อยๆถ้าออกจากาบทนั่งสมาธิเดนกลมก็พยายามมีสติสติคือความเลิกได้มีสติกำหนดดูที่อารมณ์ในใจของเรานะ ภาษาของชาวบ้านเขาเรียกว่าดูจิตนั่นแหละแต่มันไม่ใช่จิตเรามันเป็นอารมณ์เราก็เลยว่าให้มีสติดูอารมณ์ในใจของเรามันไม่ใช่ใจของเราไม่ใช่จิตของเรามันเป็นเพียงอาการของจิตความปรุงแต่งในเรื่องดีในเรื่องไม่ดีปรุงแต่งก่อให้เกิดความโลภปรุงแต่งก่อให้เกิดความโกรธปรุงแต่งก่อให้เกิดความทุกข์มันเป็นอาการของจิตเป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่ใจแต่ที่เราว่าดูจิตของเรามันดูอารมณ์ เรายึดอารมณ์เป็นใจเราหมดนะความโลภความโกรธความทุกข์อ่ะเราก็ว่าเป็นจิตของเรามันไม่ใช่เราจิตไปผสมกับอารมณ์แล้วเราก็เรียกว่าอารมณ์นี้เป็นจิตของเรานะก็จึงบอกว่าให้มีสติมาดูอารมณ์ในใจงเรานะเมื่อเราทําสมาธิบ่อยเนี่ยสติมันจะตั้งมั่นเมื่อมีสติตั้งมั่นเราสติมาดูจิตหรือดูอารมณ์เนี่ยมันก็จะเห็นอาการทั้งจิตถ้าเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสลดกายสัมผัสเจ้นนนนานอนแข็ง จิตมันจะเพิ่มขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความสุขเกิดความทุกข์เนี่ยเราสติมาเฝ้าดูอารมณ์เนี่ยมันก็จะเห็นนะจากกำลังของสมาธิที่มันส่งเสริมทำให้มีสติตั้งมัน่นแต่ถ้าเราไม่ทำสมาธิเนี่ยสติเรามันนอนไหวนะมันไม่ตั้งมัน่นจิตของเรามันนอนไหวเหมือนต้นหญ้าหญ้าคาก่อยใหญ่อะรมพัดมาจากทิศเหนือทิศใต้วันหอนอ่อดวนตก พัดมางสีที่มันก็ลูปไปตามกระแตลมพัดมาด้านไหนก็ลูปไปต้นยามนอนไหวด้วยกระแตลมเนี่ยจิตของคนเราเหมือนต้นญ้ามนะมันนอนไหวด้วยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราอยากจะให้จิตเราเข้มแข็งหรือตั้งมั่นเนี่ยนะเหมือนขุนเขาเนี่ยที่มันตั้งตระานัขุนเขาเนี่ยมันตั้งตระหนักนะพายุพัดมางไงก็ไม่หวั่นไหวแล้ให้ทอร์นาโดเลยก็ ไม่ต้องพายุธรรมดาดิฟิชันไม่ต้องให้ทรณีโรพัดมาเลยขุ น, นเขาไม่หวั่นไหวด้วยกระแสะลมหรอก <c oughs> จิตของพระนาคามีพระรหันมันเป็นแบบ น, นะเนี่มันตั้งมัน่นจิตที่จะตั้งมั่นได้ต้องทําสมาธิถ้าทำสมาธิจิตเรามีความสงบกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขมีอุเบกขาจิตสงบนิ่งจิตเป็นหนึ่งเป็นในกตาลมีกตาจิตมีสติในปัจจุบันเนี่ยตาเห็นรูปเกิดความพอใจสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็วาง แต่ความไม่พอใจสติปัญญาพิ่ไหนความไม่เทียงก็วางจิตไม่หวั่นไหวเนี่ยมันเห็นอารมณ์แยกจากจิตเและจิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหมือนเป็นคนละตัวกันเพราะความมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและปัญญามันจะมาช่วยกันกรองเห็นความทุกข์มันจะหาส่เห็นความทุกข์และมันหาทางดับความทุกข์ในใจเราได้นียแต่ถ้าเราไม่มีสติมันไม่เห็นความทุกข์เนี่ยแบบคนเราในทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่ยเห็นความทุกข์มันจะปรุงแต่ง มันเผลอสติแต่เราเรียกว่ามีสติมีความโลภ ก, ก็โลภไม่มีที่สุดมีความโกรธก็มีความมาฆาเสซบาตจิตเราก็ไปกับลมว่าเป็นเราเนี่ยแต่เราก็ว่าเรามีสตินะโจรมันก็มันมีสติเหมือนกันแะ่ะมันคอยจะพ้นคนคอยคนเผลอคอยบ้านนี้ไม่มีคนอยู่คนเขาวางของไว้หรือเขาไม่เห็นมันคอยจ้องมีสติจ้องมันมิจฉาสตินะนมันมันมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> เป็นแบบนั้นนี่เราจะสร้างสัมมาสติ ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องด้วยความมีสติปัญญาต้องอบรมจิตให้มันสงบด้วยการทําสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วสติมันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นสติปัญญาตัวเนี้ยมันจะมารักษาใจของเรากั้นกองอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ออกจากใจเราได้หมดนมันจะเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์สติปัญญามันจะค้นค้นหาตายเห็นความทุกข์ว่าเหตุแห่งทุกข์นี้เกิดเพราะอะไรและมันหาวิบายที่จะมาดับดับอารมณ์ความโลภความโกรธ ความทุกข์ให้มันบรรเทาวางไปจากใจหรือทำมันสิ้นไปจากใจแต่ถ้าขาดสติเพลสติเศษกิเรสหมดคือว่าถ้าไม่ทำสมาธิเนี่ยมันก็หลงเพเลิดเพลินเดี๋ยวก็เพลสติไปเพลไปกับอร ม, มปรุงแต่งเรื่องนี้จบปรุงแต่งเรื่องต่อไปปรุงแต่งเรื่องนี้จบก็ปรุงแต่งเรื่องต่อไปมันไม่มีเบรกไม่มีวันจบสิ้นะนะ <c oughs> จึงมาให้ตั้งสติกลับมาอยู่ปัจจุบนันมันปรุงแต่งเรื่องนี้ไปแล้วสติปัญญาสะกดลอยตามมันไปพอปรุงแต่งเรื่องนี้จบ มันจะขึ้นเรื่องใหม่ก็พุทธโทเข้าใส่กําหนดลมหายใจเข้าใส่มันก็ขาดช่วงเองเนี่ยตั้งสติคืนมาที่ปัจจุบันทํานี้ไปเรื่อยจิตก็พัฒนาต้องสร้างสติปัญญาที่จะคุมจิตได้คุมไม่ได้ขนาดไหนคุมไม่ได้ที่ว่าเราจะควบคุมใจเราได้ให้คุมใจเราให้คิดดีนะคุมใจเราไม่ให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีคุมได้ขนาดนั้นต้องทําสมาธิให้ได้ขนาดนั้นถ้ามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นทํายังไง สติปัญญาต้องพิจารณาตั้งกองละออกไปละออกไปไม่เก็บไม่กักขังไว้เพราะว่าความคิดที่ไม่ดีมันไม่ใช่ใจของเราเราก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักขังไว้เมื่อมันคิดไม่ดีไม่ใช่ว่าเราต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดเมื่อมันคิดไม่ดีไม่ต้องออกมาทางคำพูดไม่ต้องออกมาทางการกระทำเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีกระเพื่อมขึ้นในใจของเราใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบความคิดนั้น เสนสีปัญญาพิจารณาครั้งนึงพิจารณาในใจเลยนะพิจารณาดูอารมว่าอารมณ์นี้ควรพูดไหมอารมณ์นี้ดีไหมอารมณ์นี้ไม่ดีไม่ควรพูดให้มันดับในใจเรานะรีบดับไปนะถ้าไม่ดับเดี๋ยวมันจะลามมันจะลามออกไปทางคําพูดทางการกระทำก่อให้เกิดความเสียหายนะเราเราลองเปี่ยเราถ้าเราขาดสตินะคิดไม่ดีเราพูดไม่ดีบนคิดพูดไม่ดีไม่น่าพูดเลยนะ คือจิตสํานึกมันเกิดแล้วจิตที่แท้จริงมันหวังความสุขหวังความดีไม่น่าพูดเลยพูดไปแล้วมเกิให้เกิดเข้าใจผิดกันทะเลาะกันเกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่กั้นกองก่อนไงมันไม่กั้นกองอารมณ์ก่อนจึิงว่าทําสมาธิเพื่อมีสติปัญญากั้นกองว่าเออความคิดนี้มันควรพูดไหมเราเห็นแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมันโกรธแล้วไม่พอใจมันไม่พอใจมันอยากพูดอ้ทนขันติเข้าไป มีสติมีสมาธิมีความอดทนเข้าไปใช้สติปัญญากั่นกองคิดก่อนว่าคําให้ความคิดนี้ไม่ควรพูดจะทิ้งไปทำไงมันโกรธมันไม่พอใจจะเจริญเมตตาให้ใครสพิ่งการละกันมันแก้อ่ะเจริญเมตตาให้ใครสพิ่งการละกันมันโกรธเพราะอะไรคิดก่อนโกรธเพราะเข้ามาทําอย่างนี้แล้วทำไมต้องโกรธแล้วให้ใครเขาไม่ได้เลยเนี่ยหาวบายสอนใจมันก็วางวางวางไปเรื่อยเนี่ยมันแก้ได้หมดอ่สติปัญญาแต่มันต้องสร้างสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นนะ สติสติความฉลาดทุกคนเนะ่ยมันมันใช้ไม่ได้ในการที่ละกิเลส น, นะคนจะเรียนปัญญาโทปัญญาเอกนะเรียนสูงขนาดไหนก็แล้วแต่นะเรียนปัญญากี่ใบก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีลรองรับนะไม่มีคุณธรรมไม่มีศิลหน้าเสพหมดนะมันเป็นสติความฉลาดกิเลส น, นะมันเอาไปกินหมดเลยยิ่งเรียนสูงนะปัญญาโทปัญญาเอก ม, มีตําแหน่งหน้าที่เงินสูงนะมันไม่มีศีล น, นะมีมีโอกาสมันก็โกง มันฉลาดนะฉลาดโกงได้มันไม่มีศินอ่ะถ้ามีสินใหมันโลภมันอยากได้ฉะนั้นก็ไม่เอาฉันพอใจสิ่งที่ฉันมีอยู่มันคือคิดอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าไม่มีสินไม่มีช่องทางที่ตาแหน่งใหญ่โตเนี่ยออกมาทุจริตอ่ะมันพาไปอ่ะสติความฉลาดนพาไปอ่ะมันไม่ใช่เป็นสติปัญญาเดี๋ยวมันโกรธใครมันมันมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงคนนั้นมันหยามเราอ่ะมันมีอํานาจสั่งคนไปเก็บมันเลยความโกรธอ่ะไม่พอใจอ่ะมันไม่รู้จะคุมเนี่ยเราต้องคุมไม่ด้วยสินก่อน โกรธยังไงท่าก็ไปทําร้ายร่างกายกันล่วท่านไม่ทำร้ายชีวิบุคคลเด่นท่านมีศีลน่ะแล้วทำไงมันโกรธน่ะก็ต้องอดทนเดี๋ยอดทนแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาว่าโกรธทําไมหาสาเหตุเพราะอะไรแล้วหาทางละเนี่ยมันก็ไปได้มันมีทางออกมันนั่นมันต้องมีศีลก่อนมีฐานก่อนเนี่ยศีลนี่สําคัญส่วนมากคนจะมองข้ามศีลนะนึกว่าเกิดเป็นคนมันมันสมภูมิแล้วล่ะได้เป็นคนได้เป็นสัตว์ประเสริฐนึกว่าสมภูมิแล้วแต่จิตมันไม่ใช่คนนะในโลกเนี่ย เป็นพันพันล้านคนเนี่ยร่างกายเป็นคนแตจิตไม่ใช่คนจิตเป็นสัตว์นรกก็มีทํำร้ายบิดามรดาทําร้ายระเจ้าทํำร้ายพระหานั่นมันสัตว์นโลกนี่ยพ่นจีกันทําร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตกันเป็นเปรตเป็นสุรกายเน่ะมันหลบหลบซ่อนซ่อน่ะมันไม่กล้าอสุรกายมันกลายไม่กล้าเป็นเปรตหิวโหยแสวงหาเนี่ยจิตมันในร่างของคนเนี่ยจิตมันจิตมันเป็นนรกเป็นเปรตเป็น มักสุการ์สันดีฉานทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิต ก, กันแข่งแย่งจริงดิแก่มันไม่ใช่คนถ้าจิตจะได้มนุษย์สมบัติต้องมีศีลหน้านะเปลี่ยนจิตให้มันดีเปลี่ยนให้เป็นได้มนุษยสมบัติศีลหน้าศีลหน้ามันก็เป็นคุณสมบัติของ <c oughs> ของคนเไงของมนุษย์เนี่ยได้อยามนุษยสมบัติถ้าอยากเป็นเทวดาก็มีความเกรงกลัวร่ายตบศัตรูทำบุญรักษาศีลจิตเปลี่ยนเป็นเทวดานถ้าอยากเป็นพรหมก็เพิ่มขึ้นไปจเจริญพรหมมีหารสี่ทำสมาธิทำสมาธิ จเจริญโภคิหารสี่จเจริญเมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตาเบกขาในใจเรามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และ ส, สัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่พอยินดีความสุขคนอื่นถ้าเราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้วางจิตเป็นเบกขาถ้าเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจฝึกวางจิตเป็นเบิกขาอันนี้มันหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วมันสงบมันทําใจมันสงบเยือกเย็นมันเป็นเครื่องแก้นี่นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเครื่องเครื่องแก่กิเลสนะ ถ้าเรามีมีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวไม่ไม่เฟื่องมันก็ไม่เห็นคนอื่นมันก็ไม่ไม่สงไม่มีเมตตาต่อกันนะนะมีแต่ว่าเจ้าตัวเห็นแก่ตัวมีตัวตนมีกิเลสมากเนี่ยถ้าเราจเจริญเมตตาคนถ่นใจเราก็สงบเย็นมันแก้ความโกรธ ด, ด้วยมันแก้อารมณ์โทสะด้วยทาให้ใจเราเย็นไม่ค่อยมีความโกรธเนะี่ยเพราะเรามีเมตตาใจเราก็เย็น มีความกรุณาช่วยเหลือเพื่อกาและการช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือเพื่อนฝูงตามกําลังเราที่ทําได้ถ้าไม่สามารถช่วยเหลือลได้ก็วางจิตให้เป็นเวขาเนี่ยเนี่ยมันฝึกมันฝึกรักษาใจถูกบางคนช่วยเหลือไม่มีบวาอยากช่วยเหลือคนน้นทุกยากช่วยเหลือโอ้แต่ตัวเองทุกเลําเบาเกันแต่สงสานก็อยากช่วยเหลือเขาเอา้ามันเราไม่อยู่ในฐานะช่วยเหลือก็ต้องวางใจเป็นเวขามันเป็นเครื่องแจ้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มันสงบเนี่ยเราเปลี่ยนจิตเป็นพรมเปลี่ยนแบนั้นถ้าอยากเป็นพระยะ บ, บุคคล มันเป็นศิลสมาธิปัญญานะคารวะก็สินห้ามีกําลังก็สินแปดเน้นก็สินสิบท่าสินสองระอยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นฐานของจิตไว้เนี่ยทําสมาธิภาวนาเป็นทางกลางสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นปั๊มรคมันทรงตัวละคือสินสมาธิปัญญาคือมรคเนี่ยทางดําเนินทางดําเนินไปเพื่อล่าความโลภล่าความโกรธล่าความยินดีในการทั้งหลายล่าความหลงให้สิ้นเดียจากใจอันนี้มันต้องพอมมูลนะ ศินหนึ่งเดียวไปไม่ได้นะจะเจริญปัญญากับสินไม่ทํามาที่ไม่ได้นะแต่คิดแต่ว่าจะดูจิตดูจิตดูปัจจุบันดูอารมณ์มันเกิดดับมีสติอยู่ปัจจุบันเห็นความเกิดดับไม่เห็นหรอกนะมันเห็นชั่วคาดุ้นก็ลงไปกับอารมณ์อีกนะทําจิตไม่ว่างไม่ได้หรอกนะเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาละปัญญานี่มันต้องวิปัสสนามันต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความพิจิตร์ตัวตนของกายนี้ของอารมณ์ในใจของเรา แต่สติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเกิดด้วยสิทธิ์ไม่พอกําลังไม่พอต้องทําสมาธิสมาธิมันจะส่งเสริมให้มีกําลังสติปัญญาที่เข้มแข็งที่เด็ดเดเด็ดเดียวเด็ดขาดที่จะพิจารณาตัดกิเลสได้เ <c oughs> พราะมันมีกําลังสมาธิเสริมนี้ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญานี่มันจะเข้าพิจารณาและแก้ไข เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มันจะละได้นะละความโลภ ก, ก็ด้วยการที่ฝึกภายนอกก็รู้จักเสศรัพําทานบารมีทําบุญย์สนเนี่ยฝึกไม่เห็นไม่ไม่ให้มีเกิดมีความตันหนีทีเหนียวในใจของเราเนี่ยใใละความโกรธก็จะเลยเมตตาให้ภปยเส้นกันและกันละความยินดีในการมทั้งหลายความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิริสััมผสะปัดนะก็หัดพิจารณาเห็นรูปเสียงกิริสัะปัดเป็นของไม่เที่ยงหรือละความยินดีในการมทั้งหลายก็พิจารณา กายในกายตนคือพิจารณาร่างกายเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เชี่ยงโดยตนฝึกซ้อมพิจารณาไว้เนี่ยมันแก้กิเลสกรรมทั้งหลายนะไม่ว่าชายว่าหญิงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ตัทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกกันหนึ่งซึ่งเป็นกิเลสกามนะไม่ว่าชายหญิงเป็นธรรมชาตินะแต่เราต้องรู้จักควบคุมคนเขาควบคุมให้อยู่ในกรอบเกี่ยงศิลปเนี่ยนะถ้ามีคู่ครองก็พอใจในคู่ครองเราไม่มีคู่ครองก็ไม่หลอกลวงกันไม่ทําร้ายติดใจกันเนี่ย มันต้องมันต้างควบคุมแบบนั้นมันควบคุมได้ควบคุมด้วยสมาธิทาใจมันสงบเย็นแก้ไขกิเลสด้วยสติปัญญาที่พิจารากายในกายตนหรือพิจารณาอัศวภากรรมฐานธาตุกรรมฐานไม่ให้เกิดความยินดีหรือเกิดกิเลสมากมายนับนะ้ันอยู่ในขอบเกีขตของศีลคนไม่ไม่มีศีลนะที่มันมีความวุ่นวายสังคมคนไม่มีศีลเกิดกิเลสตัณหาก็ไปทําคมเหงิกันทําร้ายร่างกายทำคมเหงิกิจใจกันเนี่ยถ้าคนมีศีลเนี่ก็ไม่หลอกลวงกันเนี่ย ไม่หลอกลวงการชายก็ไม่หลอกลวงหญิงหญิงก็ไม่หลอกลวงชายพอมีสินเนี่ยถ้าไม่มีสินนั้นเดียวเสร็จกิ เ, กเลสก็เริ่มเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้ น, นตัณหาหน้ามืดเออมันก็ทําความเสื่อมเสียทําความทุกข์ให้แก่คนอื่นเขาต่อครอบครัวเขาเ ด, ดินให้คนเรามันเห็นแก่ตัวนะคนแบบผู้ชายหลอกลวงผู้หญิงผู้หญิงหลอกลวงผู้ชายเนี่ยเพียงคิดนั้นทีเดียวนะน้องสาวเราใครมาหลอกลวงเราชอบไหมแน่คิดแค่นั้นมันก็รู้แล้ว พี่สาวกใครหลอกลวงชอบไหมเนี่ยะพี่ชายเราใครหลอกลวงชอบไหมไม่ชอบน้องชายเราใครหลอกลวงชอบไม่มีใครชอบหรอกมันคิดน้อมาตัวเองก็จะรู้แล้วให้คนคกิเลสเป็นครอบงำํำไงกิเลสมันหลอกไปเนี่ยอารมณ์มันหลอกไปให้ให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีจริงๆที่ให้ทําสมาธิอ่ะทําน้อยต้องเพิ่มต้องทําเพราะว่าพอมันคิดไม่ดีอ่ะถ้าไม่มีสติปัญญามันจะพูดไม่ดีทําไม่ดี ถ้าทําสมาธิมันสติมันตั้งมั่นมันจะมีความมดทนอดกั้นต่อลมแล้วมันจะมีวายปัญญามาช่วยพิจารณาและความและความคิดที่มีเดียวแจกใจถ้าไม่มีกําลังสติสมาธินะจิตมันจะไปรวมกับอารมณ์มันแยกจากกันไม่ออกอารมณ์อันใดจิตมันก็อนนั้นนะมันแยกกันไม่ออกนะ ตาเห็นรูปหุไ้ยเสียงกระแสของอารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจมันเกิดกระแสอารมณ์ขึ้นไปปั๊บกระแสจิตนี่แหละมันไม่อยู่นิ่งมันไม่มีสตินีม่มีสมาธิกระแสของจิตมันก็ไปกับกระแสอารมณ์เพราะว่ามันยึดว่าอารมณ์นี้เป็นใจมันเนี่ยมันยึดว่าอารมณ์นี้คือฉันมันคุ้นเคยกับอารมณ์อาการของจิตมาตลอดไม่รู้จะขี่พบขี่ชาติจนถึงปฏิบัติสิ่งที่เรานกคิดปรุงแต่งทุกสิงอย่างเราคิดว่าเป็นใจของเรานีตามธรรมชาติตามปกติแต่ไม่ใช่เลย แต่เราคิดว่าเป็นใจของเราเนี่ยมันหลงเพราะมันเป็นอาการของจิตเป็นกระแสของอารมณ์แต่กระแสของจิตนี้มันไปยึดกระแสอารมว่าเป็นจิตของฉันมีความโลภกับฉันมีความโกรธกับฉันมีความพอใจไม่พอใจกับฉันมันก็ทุกข์อยู่ทั้งชาติอ่ะก็มันไปนยึดถืออารมเป็นเรามันต้องมีสติปัญญาพิณาเห็นอารมณ์นั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยมันต้องพยายามแยกจิตออกจากอารมณ์การจะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้ต้องทําสมาธิ ถ้าทำสติทำ ส, สมาธิจิตซสงบเป็นสมาธิจิตมันจะแยกเองตายเห็นรูปปั๊บจิตอยู่นี้ตายเรูปเกิดความพอใจมันอารมณ์นี่มันจะเพิ่มขึ้นเกิดความไม่พอใจก็เพิ่มขึ้นแต่จิตมันจะอยู่ในปัจจุบันเมื่อไม่เห็นอาการจิตเกิดความพอใจรูป อ, ะอ่ะรูปสิ่งที่มีชีวิตร์ฉันพินาณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่ไห็นในสุภาษกรรมฐานมันก็ลงจิตมันก็มาอยู่ปัจจุบันเกิดความไม่พอใจในรูปอ่ะจิตพินาเห็นความไม่เที่ย ง, งก็งกอยู่ปัจจุบันเนี่ย จะรูปสิ่งที่เป็นวัตถุก็าตามพี่หน้าหนความเสือ่อมเห็นความแปรเปลี่ยนไปปั๊บมันก็กลับมาอยู่ปัจจุบัติสติสมาธิก็อยู่ตรงนี้มันทิ้งอารมณ์ออกไปเนี่ยแต่ที่เราไม่เห็นเนี่ยเกิดความยินเหรตาเห็นรูปเกิดความยีรูปมันก็ปรุงแต่งไปก่อให้เกิดเดีตัณหาก่อให้เกิดความยินดีก่อให้เกิดความพอใจจิตมันเคลื่อน <c oughs> มันเคลื่อนออกจกิกฐานจึงบอกให้ทําสมาธิต้องขยันทาเราอยากมีร่างกายแข็งแรง จะยกของสามสิบสี่สิบกิโลบางทีผู้หญิงยกของไม่ขึ้นหรอกเพราะมันหนักสามสี่สิบกิโลอยากมีร่างกายแข็งแรงจากยกของขึ้นเล่นกีฬาอาอกกําลังกายพอร่างกายแข็งแรงนะเล่นกีฬายกของผู้ชายก็ยกของสามสิบสี่สิโลเขาง่ายหน่อยร่างกายแข็งแรงใจก็เหมือนกันนะใจเราไม่แข็งแรงใจมันอ่อนแรมันยกอารมณ์จากจิตไม่ได้ทุกวันนี้จิตมันอารมณ์มันทับจิต อารมณ์ความโลภความโกรธความฟุ้งด้านความลัดทับจิตมันสลัดอารงออกไม่ได้อยากให้กําลังจิตแข็งแรงเนี่ยต้องออกกำลังทังจิตออกกำลังทังจิตคือการทําสมาธิทําสมาธิไปจิตมีกําลังตาเห็นรูปหูยินเสียงใจบดมงจิตลิ้น่นรสเกิดความพอใจไม่พอใจครับสติปัญจามันสลัดออกไปมันมีกําลังอ่ะมันมีกําลังสลัดสลัดมีกําลังที่ปล่อยวางไม่นั่นมันถูกอารมณ์ทับจิตมันนี้มีกําลังจิตอ่อนแอ จิตมันไม่เข้มแข็งนะคือว่าเห็นว่าบางทีเราใจอ่อนใจไม่เด็ดเดี่ยวใจไม่เด็ดขาดไม่มีสัจจะเข้มแข็งความตั้งใจไม่ตั้งมั่นจิตมันอ่อนอ่ะมันไม่เสริมสร้างกําลังบารมีมันไม่ขึ้นหรอกเนี่ยมันต้องเสริมสร้างกำลังใจมันเข้มแข็งเสริมสร้างกพลังบารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่งพึงจะทำได้ค่อยๆเก็บเล็กะสมน้อยไปมันก็จะเสริมสร้างกําลังจิตที่มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อๆตอนนี้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็มีความอดทนกัน สติปัญญาก็พิจารณาไปได้เนี <c oughs> ย่ยถ้าเราเพึ่งว่าต้องทาสมาธิรับประทานอาหารนะเรายังรับประทานอาหารเวลาสามสี่ครั้งบางทีอะ่ะเพราะเราคิดว่าอยากจะบำรุงร่างกายอะแต่ใจเราไม่ค่อยคิดจะให้หายใจกันเลยนั่งมาที่ทุกครั้งก็หายเวลายั่งนั่งยากน้างนู น, งนั่งนี่ไม่มีเวลานะหลวงพรอชาว่ามีเวลาหายใจไหมล่ะมีเวลาหายใจก็มีเวลาพอนานะกนําหนดสติพิโลมหายใจนั่นแหละ <c oughs> นักปราชญ์ผู้มีปัญญารู้จักว่าภาวนาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่มีเวลาฉันยุ่งกับการงานวันนึ่งทำงานเจ็ดแปดชั่วโมงบงทีก็ทํานอกเวลาว่าไม่มีเวลาเวลาทํางานเจ็ดแปดชั่วโมงมันมีนะเวลาภาวนาแค่ครึ่ง 7, ชั่วโมงชั่วโมงไม่ให้เพราะอะไรเจ็แปดชั่วโมงทํงานหนึ่งแปดชั่วโมงยวสิ้นเดือนได้เงินเดือนแต่ภาวนามไม่เห็นมันไม่เห็นเป็นวัตถุสิ่งของ ว่าเรามีแต่ว่าคิดจะหาวัตถุเป็นของคิดหาทัสมบัติคิดจะสร้างฐานนะความเป็นอยู่ให้มันให้มันร่ารวยให้มันมั่นคงนะคิดแต่หาท่าไปนอกหบดลมแค่นั้นจบหมดลมนะหายใจเข้าหายใจออ ก, ห า, ออกหายใจเข้าจบทัศมบัตรของเราของเราจริงหรือเปล่าที่เราหามาของเราเอาไปได้ไหมร่างกายนี้ของเราอ่ะเอาไปได้ไหม หรือเขาเผ า, เขาขนเท่าทุเรียนหรือไม่ก็คนจีนเขาฝังฝังแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นท่านดินทน่านน้ำท่านลมท่านไฟยุ่ยสลายไปไม่มีอะไรเหลือเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยจึงบอกพิจารณามรณานุสติอย่าไปหลงโลกมากนะอาศัยอยู่ในโลกนี้ให้มี ส, สติปัญญารู้ว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วข่าวเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเล็กเกน้อยน้อยเท่านั้น ไม่ใช่เป็นความสุขที่จะบรรดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ในใจของเราต้องมีบัญญาย่างนนะีสิ่งที่จะบรรดับความโลภความโกรธความทุกข์ในใจเราได้ต้องบำเพ็ญบารมีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพัฒนาจิตใจราให้ดีด้วยการบำเพ็ญความดีรักษาศีลทำนาที่จเจริญเภาหน้าตรงนี้แหละมันดับได้นะสแสวงหาทรัพย์ภายนอกมันดับไม่ได้มันแค่บรรเทาความทุกข์เนะี่ย แต่คนเรามันมีความทุกข์มันเห็นความทุกข์นะทุกข์ใจไม่สบายใจมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไปไปเที่ยวนัดชวนเพื่อนไปเที่ยวไปดูหนังไปพักผ่อนเะนะี่ยกลับมาบ้านก็ทุกข์อีกพอเที่ยวเสร็จก็ทุกข์อีกมันไม่แค่ถูกจุดนะมันหนีไปเฉยหลบอารมณ์ชั่วคราวมันไม่แก้ที่ใจเจ้าของเนี่ยคนเรามันนี้น่ะี่เหลนมันฉลาดเนี่ยเนี่ยที่เหล น, น, เนบอกว่าเนี่ยจิตของคนเนี่ย ถูกกับดักของกิเลสเนี่ก็ได้บ่วงของบานนะจิตของคนทั้งหลายในโลกเนะี่ยติดบ่วงของมารบ่วงของมารคืออะไรคือล่อให้จิตของคนเราติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดอยู่ในวัตถุธาตุาทั้งหลายให้มีความยินดีในการแสวงหาราชาญย่อตัเสริญบ่วงมันเหมือนบ่วงที่ก็ดักนกดักแล้วดักตัดบ่วงก็ดักไว้แล้วคนเกิดมาไปไ ป, ไปติดอนะไปติดบ่วงติดบ่วงเนี่ยไปติด แหงหาลา่าแสงหายาอดแต่ไปติดลูกสิงเกลียวสัมผัน์นี่แหละบวงกิเลสมันดักไว้เมื่อมันติดตึงเนี่ยมีความยินดีมีความพอใจมันออกจะบ่วงไม่ได้นีมันออกจากว่ า, าต่างสามไม่ได้มันพอใจในภพพอใจในชาติที่เพลินอยู่เป็นพันพันล้านคนเนี่ยมันพอใจบอกให้ไปทางพุทธเจ้าสอนไม่สนใจหรอกนะเมืองไทยนี้มีพุทธศาสนาเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์ซ็นตะไม่สนใจหรอกพุทธศาสนาหรอกมีแต่ชื่อนะั้นว่าประเทศไทยประเทศ มีพุทธศาสนาหรือไม่มีเป็นบัญญัติก็ตามแต่ความหมายคนทั่วประเทศก็รู้ว่าประเทศไทยเนี้ยส่วนมากคนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานับถืออะไรเดี๋ยวก็ปนเดี๋ยวก็จีเดี๋ยวก็หกกันเดี๋ยวหลอกลวงกันมันไม่มีสินอะไรกันหรอกมีน้อยคนที่คอเข้าวัดหน่อยก็ไปทำบุญรักษาศีลหน่อยมันก็ส่วนน้อยอ่ะนะลองจัดงานคอนเสิร์ตที่คนเป็นพันเลยนะความธรรมเนี่ยสิบยีนะ่สิบเป็นร้อยน่ะ จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยโอมันไปเต้นแรงเต็นกาเป็นเปรตเป็นอะไรนี่เอ๊ะไปหมดเลยนี่ยมันหลงอารมณ์ไงคนหลงโลกคือคนหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์คือคนหลงโลกหลงพระชาท่านว่าไว้นี่คนหลงโลกนี้คือคนหลงอารมณ์เนี่ยอารมณ์อารมณ์อนความสุขมันหลงอารมณ์หลงอารมณมันก็ติดอยู่ในโลกอันเดูยกันนะเนี่ยคนไม่ค่ยเห็นเมื่อม่เห็นความทุกข์นะมันติดอยู่ในความสุขนะมันหาทางออกไม่เจอหรอก คนจะพ้นทุกข์ได้ต้องเห็นความทุกข์ถ้าเห็นความ uk, ทุกข์สติปัญญามันจะหาสาเหตุว่าจะหาสาเห็นความทุกข์แล้วมันจะหาทางดับความทุกข์แต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทุกข์นะท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเห็นด้วยปัญญานะคนเราทุกวันทุกขเกลียดตายก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทุกข์นะะท่านเห็นด้วยปัญญาไม่ทุกข์ยังไงเป็นคนก็ต้องทุกข์อยูไม่ทุกข์ง ท่านเกิดอยู่ในเพศกษัิศ์มีความสุขมากคนทั้งหลายมีโบราณมากทำอะไรก็ได้ท่านยังไม่พบความทุกข์เท่าไหร่ท่านมีแต่ความสุขได้ตามปัณหาที่ท่านเห็นความทุกข์เห็นด้วยจิตนเห็นว่าคนหนีไม่พ้นความแก่คนหนีไม่พ้นความจ็บไข้ได้ผลคนหนีไม่พ้นความตายท่านเสด็จออกนอกวังไงตรวจตรวจดูชาวบ้านชาวเมืองเห็นคนแก่ เนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยะพิจารณาเราอยู่ในเมืองเห็นแต่เห็นแต่สิ่งที่สวยงามอยู่ในราชวังเห็นแต่นางสนมกำนัลสวยงามทพีงนั้นโอ้คนต้องแก่ด้วยเหรอเห็นคนเจ็บนอนอยู่ตามข้างทางถตนอดทาไมเราสุภาพร่างกายแข็งแรงมีวรรณาธ่ปงสาย ม, มีเราคงหนีมิพ้นความเจ็บไข้ได้ปวดไปได้เห็นคนตายก็เผากันแม่น้าําคงคาเขาเผากันเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพิจารณา มันเป็นความทุกข์นี่ตัวอยังไม่ทันแก่ตัวอยังไม่ทันเจ็บตัวอยังไม่ทันตายเห็นที่ปัญญาเนี่ยท่านก็เห็นความทุกข์เลยหาสาเหตุความทุกข์ว่าถ้าติดอยู่นี้ไม่ได้หรอติดอยู่ในบวงของมารแสวงหาโมกฆะทำความหลุดพ้นหนีสเสด็จหรอกน่าจะวางสแสวงหาความทุกข์เนี่ยหาสาเหตุหาทางดับหาทางดับความทุกข์สเสด็จหาทุกวิธีทางจนไปพบ อารามดาบทดอุทกดาบทเขาบำเพ็ญฌานธรรมบัตรท่านบาเพ็ญได้จนมีความรู้ระดับอาจารย์โอ้มันไม่ใช่ทางบรทุกนะมันดับอารมณ์ชั่วข้าวนะมันไม่ดับกิเลสเนี่ยโดยแสวงหาอริยมรรคแปดคือจเจริญสีสมาธิปัญญาพบทางสายกลางทางการละกิเลสเนี่ย น, นี่แหละแต่เราทำงานตากแดดตากฝนยังไม่เห็นนะอยู่บาังคาตากแดดร้อนๆตากฝนเนี่ย ก็ทำงานทุกทั้งวันก็เห็นความทุกขนะ์มันเป็นยังไงเนี่ยเขาเห็นด้วยปัญญาพระยาบุคคลพระยะเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นด้วยปัญญาท่านไม่ต้องพบความทุกข์หรอกนะแต่เราส่วนมากคนทั้งหลายมันติดติดอยู่ความสุขหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยคําสอนพุทธเจ้ามีอยู่แต่คนไม่สนใจไม่สนใจก็ไม่สามารถที่จะนํามาดับความทุกข์ได้เนะี่ยไม่น้อมนามาปฏิบัติเนะี่ยเหมือนไก่ หาหาหาไสเดือนหาแมลงเจอเพชเจอเพชเตะทิ้งไม่ใช่หันเหมือนคนเนี่ยหาความสุขในรูปเสียงเจอสหวานไม่เอาธรรมะธรรมะมีคุณค่ามากแต่คนว่าไม่ใช่ไม่ไม่มีประโยชน์ฉันไปเที่ยวดีกว่าฉันไปทำพิสินดีกว่าเนี่ยเนี่ยฉันไปเบาดีกว่าความสุ ข, ของคนที่หลง <c oughs> จึงบอกว่า ถ้าไม่ทําสมาธิไปไม่ได้นะต้องกลับมาทําสมาธิแล้วควรจะขี้เกียจทําสมาธิเพราะทําแล้วไม่ค่อยสงบเลยอยากจะหาวิธีง่ายๆดูจิตก็พอแล้วมันดูง่ายไม่ไปจะละกิเลสได้นะมันไม่อยากทําสมาธิพเพราะทาไปแล้วมันจิตฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบก็มาดูจิตดูอารมณ์ง่ายกว่าดูดูเพลดูทั้งวันมันไปดับไม่ได้หรอกมันละไม่ได้มันอารมณ์นั้นถ้าเราสติมัน เข็มแข็งนั้นก็ผ่านไปเกิดดับมันก็ผ่านไปได้แต่ถ้าเผลอสิ่ก็ไปหลงอารมณ์นะวันนี้อพอที่ผ่านลมนี่พรุ่งนี้อารมณ์ใหม่รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่อารมณ์มันเกิดอีกพรุ่งนี้มะรืนนี้เกิดอีกมันก็ลาบไปเรื่อยอดทนลาบ่อมันไม่จบมันไม่ได้ดับที่เหตุไม่ได้แก้ที่เหตุนะอารมณ์มันคนคงคนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอารมณ์ความโลภความโกรธความยดีในการมทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะจิตของคนเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้เป็นตัวตนเรา มันเลยเป็นที่ตีมนันนเป็นสิเลสเลยก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยียกามต่างหากเพราะมันมีกายนี้แต่ทวนกระแสของจิตต้องพิจรณากายในกายถอนขุดลากถอนโคนนี่ออก่อนนะนี่ถ้าไม่มีสมาธิพิจณาไม่ได้สติปัญญามันไม่มันไม่คมนะไม่มีสมาธิสติปัญญาไม่คมเหมือนมีดแหละมีดเราไม่ได้รับอ่ะเราฟันกิ่งไม้แต่วันมันขาดไหมอ่ะนะ เ ร, เรามีมีดแต่มีดไม่คมเหมือนคนเราสติปัญญาไม่คมมันฟันไม่ขาดนะเรารู้มีดไม่คมเราจะทำไงมันคมมารับมีดสติความฉลาดมันยังไม่คมเหมือนสติปัญญาเราก็มารับสติปัญญาด้วยการทําสมาธิเอาอยากสติปัญญาคมนะสติที่บอกว่าคนไม่มีศีลมีแค่สติความฉลาดไม่ใช่สติปัญญาสติความฉลาดมันอยากคมมารักษาศีลแล้วทําสมาธิมารับรับไปรับมาสติปัญญามันคม เห็นอะไรมันจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนะมันจะทะลุไปเห็นความไม่เที่ยงของลูกเสียงที่เรสัมผัสเนี่ยมันจะน้อมพิจารณาหมดเนี่ยสติปัญญามันจะเริ่มเกิดขึ้นจักกาลังสมาธิมันเป็นพลังงานที่มันหนุนสติปัญญานะเราใช้โทรศัพท์เนี่ยใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันอ่อนแบตมันนอยมันหมดเราต้องชาร์จใช้ไปชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปมันก็เต็มชาร์จไปเรื่อยๆเต็มนก็ใช้งานได้นะถ้าเราไม่ทาสมาธิมันปรุงแต่งไปทั้งวันจิตมันนอนมันเหนื่อยล้านะ มันคิดสาพัฒเรื่องกาพัฒยางทั้งเรื่องปีิการงานทั้งความปวนใจเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างโอ้ยมันเหนื่อยมันล้าแบตก็อ่อนคือสติปัญญามันอ่อนเราต้องชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปพักจิตบ้างพักจิตเดี๋ยวจิตมีกําลังสติปัญญาก็แก้ไขปัญหาต่างได้ในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรเรื่องการบัตในพุทธศาสนาไม่มีอะไรนะจริงๆมันไม่มีทางรัดทางตั้ง มันมีแต่มัชจิมาปฏิตาคือทางสายกลางนะทางที่พระเจ้าสั่งสอนไว้นี่เป็นทางที่ตรงที่สุดแต่ไม่ใช่รับไม่ใช่สร้ง น, นะเป็นทางที่ตรงที่สุดสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายสามารถมาพื้นบันได้แต่มีเส้นทางเดียวนะมัชจิมาปฏิตาคือทางสายกลางทางสายกลางนี้สําหรับคราวา น, นี้บําเพ็ญความดี ร, รักษาสินทำมาธิเจริญภ่อนาก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละ สิ่งที่เขาว่าเร็วเพราะอะไรเพราะคนนั้นสร้างไปมีมากแต่ดีไม่บัตรเลยเร็วสิ่งที่ว่าช้าเพราะอะไรคนนั้นสร้างไม้มีมาชะมาน้อยแต่ดีเป็นบัตรเลยต้องทำให้มากเลยไุธูทำช้าหน่อยมันเป็นลักษณะนั้นนี่อย่าทิ้งหลักของพุทธเจ้าพุทธศาสนาไม่มีรายนะ คนเรามันก็มีขยายออกไปที่สุดเลยนะสุดแดนจักรวาลเลยคนเราก็มีแคกายวาจาใจแดนจักรวาลคนอยูแค่นี้ย่นย่อมาเหลือกายใจนะย่นย่อที่สุดคือใจดวงเดียวแต่ทำไมต้องพิจารากายเพราะใจมันยึดนี้ว่ากายเป็นเราเพราะใจอ่ะมันมันยึดว่ากายเป็นเราต้องให้มันปล่อยมันยึดอ่ะถ้ามันยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเรามันไม่ปล่อยนะมันทุกข์ต้องสอนให้มันปล่อย พึ่งว่าสุดขอบจักรวาลของพุทธศาสนามันมีแค่สามอย่างกายวาจาใจนะยื่นยอดที่สุดแล้วมีแต่ใจแต่ว่าทำไมต้องพิจารณากายเพราะใจนี้มันยึดถือกายว่าเป็นตัวตนยึดถือไงตอนนี้ยอมมาคิดว่านี่คือเรานะเดี๋ยวยมปวดหัวปวดท้องยมนองบอกนะให้บอกเป็นไหนปวดนะมีวปวดหัวปวดท้องไม่สบายนะบอกมนเลย หายปวดหน่อยฉันเลี้ยงอย่างดีนะพอเวลาสามสี่มือแถมหาเสื้อผ้าดีๆให้ใส่นะบางทีเดินห้ามซื้อผ้าดีๆให้ใส่อย่าทอยยศชนะเอ่มันเชื่อฟังไหมเนี่ยบอกมันหนป่วยไม่เชื่อหรอกเนี่ยเมื่อมันไม่เชื่อเราก็ต้องมีส ต, ติปัญญาซ้อมอีกทีว่ะแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ชั้นแน่ๆเลยมันไม่เชื่อเนี่ยเนี่ย ค่อยๆสอนใจแบบ น, นี้คือค่อยๆวิปัสนาภายนอกไปไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิแล้ววิปัสนาในการนั่งเวลานั่งมาทีเท่า น, นั้นหรือเดินยังโกมไม่ใช่อยู่ในยาบบททั่วไปในปัจบันก็พิจารณาได้เวลาปวดหัวปวดท้องไม่สบายก็ถามใจตัวเองสิทําไมไมันบอกให้หายป่วยไม่ได้ไมันบอกหายไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เราเนาะเราก็ดูแลสาวให้ตามหน้าที่นะมันจะหายก็ช่างไม่หายก็ช่างเป็นหน้าที่ของหมอนะทำใจให้มันสบาย ปล่อยวางมันอย่างนี้ปล่อยยากต้องบําเพ็ญศีลทําสมาธิเจริญภาวนาใช้ปัญญาพิณาไปมันก็ค่อยปล่อยสอนใจว่าเออเป็นหน้าที่ของหมอกันมันจะหายก็ช่างไม่หายช่างฉันจะดูแลไปเนี่ยเหมือนกับเรือโยมจะข้ามฝั่งแม่น้ำนะมหาสหมบูรณ์อะโยมมีเรือเรือลำลงลงท่าเรือ ด, ดันแบ่งพายพายพา ย, ายไปนะเพามันรั่วมันน้ําเข้าอ่ะตักน้าําออกตักน้าํนอาออกก็บอกตัก โดนที่มันยัรั่วเยอะนะชุนยาขาอะไรปะอุดพายไปเร <ac> <ique> er nah ื่อยพายไปพายไปจะได้จะสายเรือข้ามฝั่งนะก็เหมือนเราจิตวิญญาณมาสายกายเน่เราต้องดูแลมันป่วยก็ต้องรักษามันดูแลรักษาเพื่ออะไรเพื่อเจ้ากายนี้สร้างกรณีเพื่อเจ้ากายนี้ตั้งคุณงามความดีเนี่ยอาศัยธาตุขันเนี่ย มันยังก็รักษาได้ก็รักษาอยู่ยาไปถ้าไม่ไหวแล้วโอมันรั่วไม่มากโรคภัยก็้จะมันลุ่มล้อมมันมันมันมันแล้วเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ก็ปล่อยมันไปเหมันรั่วมันเลือดพายไปมันไม่ถึงฝั่งใจเรือเรือเรือมันรั่วเยอะมันจะจมมันจมจมไปีไปหาเรือลำใหม่ยจิตวิญญาณมันยังมีกิเลสมันก็ไปเกิดอีกมันก็ไปอัดไปมีอัตภาพใหม่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนั่นอ่ะแต่ระหว่างที่มันพอรักษาได้ก็ดูแลรักษาตามหน้าที่ แต่ที่พิจารณานะที่นสุสติเพื่อ ว, ว่าเอาเรามีร่างกายไปวันหนึ่งแข็งแรงอยู่เรารีบทำความดีนะรีบรักษาสินนะเนี่ยสินเราก็รักษาแล้วทําสมาธิ์ทิ้งําน้อยเพิ่มสินสมาธิมีมากขึ้นเนี่ยเป็นแบบนั้นมันต้องค่อยๆเพิ่มไปคนเราพิจกากณาอย่างนี้แล้วเวลาเราร่างกายไปเปลี่ยนตอนนี้เราอยู่ในวัยกลางคนเนี้ยเราแปลเปลี่ยนไปต่อไปไวัยชราขึ้นเราบอกให้กลับเป็นเด็กดเด็กอีกได้ไหมเนี่ยดูแลมันอย่างดีนะให้หาเงินสามสี่มื้อ ต้องการอาหารดีๆก็หาให้ทานจากจะทานอะไรลอยก็ไ ป, ไปไปเพื่อกายนี่แหละมันหลงกายเนี่ยนะหาเสื้อผ้าดีให้ใส่พอมันชรามันบอกมันเป็นเด็กีก็ไม่ได้มันน่าเจ็บใจเนาะดูแลมันอย่างดีพอร่างกายจะแตกกระจายบอกว่ามันอย่าเพิ่งตายเลยอย่าแตกอย่าตายเลยอยู่งี้ไปานานๆหนังก็ไม่เชื่อฟังหรอกพ่าอะไรไม่เชื่อฟังเพราะร่างกายนี้มันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นแด่เพียงธาตุสี่ประชุมเันชั่วข่าวเพรานั่นน่ะ ดินมันไม่รู้เรื่องอะไรน้ำไม่รู้เรื่องอะไรลมไฟไม่รู้เรื่องอะไรมันประกอบมาเป็นร่างเราเพี น, นั้นแหละนะเมื่อจิตวิญญาณดอกจากร่างเนี่ยลมหายใจเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายจอไม่หายใจเข้าหัวใจหยุดทํางานนะลมธาตลมมันเลยเหยียหมดนะลมหมดแล้วทำอะไรอ่ะความหมู่ในร่างกายมันไปด้วยนะมันตามไปเลยเพื่อนไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนแรกมันอยู่ด้วยกันสี่ธาตุดินธาตุไฟอากาศธาตุมันอยู่ด้วยกันพอลงไปแล้วโอ้ยธาตุไฟไม่อยู่แล้วไปดีกว่าเพนซุก ความเย็นปรากฏขึ้นในร่างกายเย็นตัวเย็นเลยล่ะคนตายพอภาคเนี้ยท่าใส่ไปแล้วห้าวันเจ็ดวันเป็นไงปฏิยาของท่าดินท่าน้ามันมันมันทำปฏิยาพองพองบอบๆองมันลุกโง่ปุ๊แฟบฟีลงมาถ้าน้ํำมันไหล่งน้ําเลื่อนเหมืองมันไหลออกไปอ่ะไหลไปแล้วเนี้ท่าดินก็แฟบแล้วผมที่มันส่วนแข็งนะขนเล็ะฟันหลังกระดูกเอ็นกระดูกมันดุย่ย ท่ดินนี่มันไม่รู้ว่าเป็นเรามันไม่บอกมันไม่มันไม่มได้บอกว่าเป็นเราแต่เราเองไปยึดว่ามันเป็นเรายึดว่าดินนี่คือฉันผมนี่คืออะไรย่ยผมเบายาวของท่านท่าดินนี่แหละคือฉันเนี่ยนะดูแลรักษาอย่างดีทําความสะอาดอย่างดีนะโยมคงเคยหวีผมนะหวีผมมันที่มันหลุมานะตองกางเส้นนะ ภิกษุญาติทนี่แหละเราวางลมวิ่งไปไหนไม่ได้ธาตุดินผมถ้ามันละเอียด น, นะประกอบด้วยธาตุดินท่าน้ำลมรถไฟแต่ว่าถ้าคิดจะย่อก็คือธาตุดินนั่นไม่มีชีวิตแต่อยู่เราสิ่งที่สวยงามดูกระจสวยงามแต่ผมเรานี้เชื่อไหมนันไม่สะอาหรอกโยมเราหวีผมมาสองเส้นนะคุณแม่ทํา อาหารมานะคาแจงมาเดี๋ยวแม่ใส่ของพิเศษไปหน่อยจุกใส่ใส่ผงชูรสไปหน่อยนะของพิเศษแล้วผมจะกระจุงลงไปมันหน้าเราไปทานไปละแสดงว่าอะไรแสดงว่าผมนี่มันโสโปรกใช่มท่าทศาสาน์โอ้โหมันขอศาสตรนี่นะของดีเลยเนี่ยโสโปรกเป็นตระกูลเนี่ยเห็นไดชัดมันสโครกผมเรานี้ไม่ชําระสระผมนะสามวนสี่วันก็มีมันไปสระ นะทุกคนน่ะมันเป็นปฏิกูลมันออกมาจากร่างกายมันสีสัผมมันไม่สะอาดับผมสาดแล้วมก็สดชื่นมันก็สะอาดเนี่ยมันซัดฟอกได้กายเราเหมือนกันอ่ะโยมมาวัดเนี่ยโยมไปทํางานนะทั้งวันนะหรือเล่นกีฬาโอ้ยตอนเย็นเชื้อกลางคืนกลับบ้านโยมต้องอาบน้ําอาบน้ำชําระร่างกายฟอกสบู่ขัดไอ้คาบตะกเหนือใครอ่ะเนี่ยคือมันเป็นปฏิกูลออกมาชายหญิงเหมือนกันไม่ตะาดนะแล้วเสื้อผ้าเราอ่ะตอนแรกซักรีสะอาดนะตอนเย็นเราไปดมดี ชายหญิงมันกันาดนี้พูดธรราติพูดธรรมจริงไม่ได้น่ารังเกียจอะไรนะลองไปดมสิมันเป็นไปสกูลไม่ต่างหรอกนะแสดงว่ากายเราเนี่ยชายหญิงมันเน่าอยู่มันเน่าอยู่เป็นนิพมันเน่าอยู่เป็นปกตินะน่างกายเราเนี่ยทุกคนอ่ะแต่เราไม่เห็นไงเราเห็นแต่ปิดบันหนังสวยตายล็นูปหนังก็ติดแล้วมันติด น, นะฮพระยาเจ้านี่ท่านทำไงถ้าท่านเดินมากนั้นท่านมองเห็นรูปท่านมองทะลุเลย มองทะลุซ้อนเห็นความแก่เห็นความตายเลยหรือเห็นนิจจังหน้าตาจิตก็เป็นเบคามันวางรูปนึงโดยบางท่านกำหนดแต่สุภาพไปเลยนะไม่ว่าชายไปหญิงกําหนดสุภาพใสไปมันก็ไม่ยินดีในรูปจิตก็เป็นเบคานีน่นวิธีเองท่านนี่วิธีแก้แก้กิเลสเนี่ยนันนีวิธีแก้หลายอย่างแต่เราไม่ใส่รูปก็ปรุงแต่งให้เกิดกิเลสแล้วนะ่ามันก็ละอย่างกันแต่มรรคของผู้ทรงฝีนนะ่ะ ผู้ประพฤติพรหมจจรนเน่ยเขาเจริญศีลสมาธิปัญญามันโขมงกองทับมันเข้มแข็งมันแข็งแรงมากเลยถ้าประกอบด้วยสามก็สามกองทัพเนี่ยกองทัพนี่มันเกรียงไกรมากเลยนั้นเขาสามารถกําหนดได้เนี่ยแต่คนไม่มีศีลมี น, นกําหนดอะไรได้ตายลูกก็เกิดทีเดีไปแล้วเนะีเกิดความโลภ ก, ก็โลภไปเลยไม่มีที่สุดนะเกิดความโกรธก็โกรธไปเลยไม่มีที่สุดทํามร้ายร่างกายตลาดชีวิตแก่พร้อมหน้าความโลภโขมงเนี่ยที่มันเรื่องพุทธศาสนาจริงไม่มีอะไร สุดขอบจากวานพุทธศสนามีแค่กายวาจาใจะย่นย่อมาเหลือที่ใจขี้เด็กมันอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่บ้างไม่อยู่ที่ทัพสมบัติไม่อยู่ที่สถานที่ต่างอยู่ที่ใจเราเราไปไหนไปด้วยย่นย่ออยู่ที่ใจแต่แค่ขี้เด็กแค่ที่ใจเรื่องพุทธศสนาพิจนากายพิจาณาจิตแค่นั้นะพิจณากายเห็นความไม่เที่ยงความไม่เทต่ยงโดยต้นของกายนี้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้อารมณ์ในใจเราก็เหมือนกัน เราปัญนาความสุขตรงนันทุกอะแล้วทุกก็ไม่ใช่ใจของเราดิอย่าไปรับมันเป็นใจเรานะให้ถอยมาก้าวหนึ่งทําความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ใช่ใจของเราจะมีความโลภก็ไม่ใช่ใจของเราไม่เที่ยงจะมีความโกรธก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ใจของเรานะจะมีความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ใจของเรามีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาก็นั้นแต่เบื้องต้นน่ะให้กันกองก่อนกันกองสิ่งที่มีเดืดเดือดใจนะให้เรามีสติในปฏิบัติให้ดีนะ อยู่ในคารวะเนี่ยทาหน้าที่การงานต่างๆนต่นตื่นนอนขึ้นมาพยายามมีสติกํากับจิตของเราดูลมในใจ เ, เราผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมันเราต้องตามรักษาจิตของตนนะทุกๆวิทยบทไม่ว่าเรายืนเดินนั่งทำอะไรให้พยายามมีสติเผลอสติมันเผลอกันอยู่แล้วเผลอส่วนมากเราก็พยายามตั้งสติขึ้นมาวิธีตั้งสติที่ดีที่สุดให้กำหนดอยู่กลางฐานบนใดบนหนึ่ง เช่นเรากำหนดลมหายใจหรือพุทโธเรารู้ว่าเผลอสติว่าฉันฟุ้งซ่านบุงแตกปั๊บให้ตั้งสติมาอยู่ที่ลมหายใจเลยหายใจเข้ารู้ลมหายใจหายใจออกรู้ลมหายใจกำหนดที่ไปจะบุกก็ได้หายใจเข้ารู้ลมลมปัดหายใจออกรู้ลมลมปัดให้ตั้งสติกำหนดตรงนี้เลยและกำหนดลมนี้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินโยกมนะอยู่ในบททั่วไปนี่แหละขณะที่รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยกำหนดสติไปที่ลมกำหนดที่ลมสักสองสาทีปั๊บเดี๋ยวความคิดมันหายไปเพราะอะไรเพราะฉันไม่สนใจในความคิด กลับมาสนใจลงหรือกาหนดลมไม่สะดวกฉันกนําหนดโดยคำพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติกรมภานทตั้งสติมาอยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรากําหนดสติจดจ่อตรงนี้ความนึกคิดปรุงแต่งในความโลภในความโกรธเมื่อกี้มันฟุ้งซ่านมันจะดับลงอันนี้เรียกว่าสมาธตัดอารมสู่ข่าวแลีวตั้งสตินะแต่บางคนเขาสติเขาดีนะสติเขาดีปับ๊บพอตาเห็นลูกอุย้ยยินเสียงเกิดความปรุงแต่งเกิดความพอใจปับ๊บสติเขาดีเขาทาไงไหม เขาไม่อยู่พุทโธเขาไม่อยู่ลมสติเขาเห็นแล้วอารมณ์เขาเกิดขึ้นแล้วนะจิตกระแสของจิตส่วนหนึ่งไปกับกระแสของารมณ์แต่กระแสของจิตส่วนหนึ่งมีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันเพราะเขาทําสมาธิเขาทําไงเขาส่งปัญญาไปทําลายเลยเขาส่งปัญญาไปพิจารณาพิจารณาตรงนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนมันตกไปเหมือนกระเป้าบินนะเขาส่งเพ้าบินมาเรายิงเลยปังมันตกเนี่ยไอตรงนี้เขาอารมณ์มันกระแสอารมณ์ันมันเคลื่อนปั๊บมันเกิดความพอใจปั๊บสติ กระแสของจิตไปส่วนหนึ่งปัญญามันเห็นมันวิ่งไปทําลายเลยพีินาลูกนี้ไม่เที่ยงพินาเสียงนี้ไม่เที่ยงกลิ่นรสสมัตินี้ไม่เที่ยงฟับสติมันกลับมาอยู่ปัจจุบันเนาะมันไปทําลายเนี่ยแต่ว่าถ้าเราสติปัญญาไม่มีกําลังคือมีดมันไม่คมมีดไม่คมเราลูกไม่คมมันทื่อกลับมารับคือสติปัญญาพิําไม่ได้อารมณ์นี้มันค้างอยู่มันพิณาไม่ได้อย่าไปสนใจมันกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุโธจิตเราท่านแน่วแน่นะมีอารมณ์อยู่ได้อารมณ์เดียวนะ จิตเราจะมีอารมณ์เดียอารมณ์เดียวกําหนดพุดโธให้แน่แน่ปั๊บอารมณ์นี้มันหายไปมันเป็นเงาของจิตเท่านั้นมันออกมาหลอกใจเราอารมณ์มันเป็นเป็นอาการของจิตแต่ถ้าฝึกสมาธิมันจะเห็นมันจะค่อยค่อยเห็นค่อยพัฒนาไปเองนั้นคารวะในเบื้องต้นพยายามกั้นกรองความคิดที่ไม่ดีจากใจมันเห็นได้ง่ายตั้งสติให้ดีเมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นใช้อุบายปัญญาพิณาระไปอุบายปัญญามไม่มีกำลังเพียงพอตั้งสติกําหนดสมาธิอยู่กับปฏิบัติเนี่ย เดี๋ยวพอพออารมณ์นั้นดับไปแล้วแล้วกําหนดสติอยู่พุโทโธพุโทโธสามีห้ตีปั๊บพอลมหายไปแล้วปั๊บทิ้งคํำภานาพุโทโธทิ้งลมหายใจมีสติคุมในใจในปัจจุบันเนี่ยถ้าลมนั้นมันย่องกลับมาเกิดมาอีกมันโผล่ขึ้นมาอีกอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันโผล่มาอีกปั๊บลองใช้สติปัญญาพี่นาใหม่บางทีมันมีกําลังแล้วแต่พี่นาสติปัญญาพา่นาแก้ไขไม่ได้เอาเก็บเข้าลิ้นชัก่อนกลับมาพุโทโธเก็บไว้พอมีกําลังแล้วค่อยดึงมาพิจารณา ทวานี้ไปตลอด่ะไม่ว่ายืนเดินนั่งอะไรพยายามมีสติเผื่อสติก็ตั้งสติขึ้นมาแต่เวลามีเวลาว่างก็สำรวมมียบทนั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เปลี่ยนไปจเดินยงกรมทำให้มากจะเลยไม่มากนั้นทำกันน้อยไปศึกษาทางาพระธรมวนไม่ค่อยทำสมาธิกันทำกันน้อยนะที่มานี่หลายคนไม่ค่อยเห็นประโยชน์การทำสมาธิบางคนบอกว่าทำสมาธิ ทำไม่ค่อยได้จิตไม่สงบทำไม่ค่อยได้จิตไม่สงบถามว่านั่งมาธิมรรกิจชั่วโมงนั่งสิบห้านทีอุ๊บางคนนั่งขึ้นชั่วโมงแล้วต้องการความสงบนะแต่ทาแค่นั้นนะแล้วไม่อดทนไม่ฝืน ท, ทําทุกวันไม่ได้ทำทุกวันลงทุนสิบบาทต้องการหมื่นบาทลงทุนหมื่นบาทต้องการเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าไง ไม่ดีนั่งสิบห้าทีเพราะไม่สงบก็เลิกไปไม่นั่งนะไม่อยากเพ่งเนี่เนี่ยมันติดเยังไมันจําเป็นเลยสมาธิโควมติดไปเพ่งไงเราก็กําหนดสติอยู่ก็พุโทโธพุโทพโธเพ่งไงเนี่ยเหมืเราท่องัำเนี่ยง่ายๆก็เรเรียนสื่อนะท่องจำภาษาอังกฤษก็ไม่เนี่มันเครียดอะไรเลยมาท่องพุโทโธจะเครียดอะไรกําหนดจิตแบบสบายๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจเรา ให้มันสงบเย็นท่องพุโทโธเปเอย่างเดี๋ยวกายเบาจิตเบามันเย็นมันมีปิติมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้นเป็นอย่งนเนี่ยกิเลสมันฉลาดอย่าไปนั่งนะเดี๋ยวพี่เปร่าอย่าไปเพ่งนะมันฉลาดนะพอมันจะปรุงแต่งแก้กิเลสอย่าไปปรุงแต่งนะไม่ใช่ห้ามแทรกแซงห้ามปรุงแต่งแต่ทําไมให้ความโล ม, มันแทรกแซงทําไมให้ความโกรธมันแทรกแซงทําไมให้กามราคะมันแทรกแซง แต่พอเราจะปัญญาไปแทะแรงมันอย่าน่อย่แทกแรงเพราะมันฉลาดกว่าเราเว้ยมันฉลาดกว่าคนมันมีปัญญากว่าพอเราจะไปแตะต้องมันหน่อยจะไปทําสมาธิอย่าไปทํามากเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวพี่เราดนะมันไม่ให้พบทางสงบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้พบไม่ให้ไม่ให้พบขุมกําลังใหญ่ที่จะมีสติปัญญาพอมันจะใช้สติปัญญาพี่หนาแค่ห้ามชิดอ้ามพิจารณามันเป็นกิลเลสมันความปรุงแต่งเออตายกันนั้นนะ อันนี้ก็ตายงั้นแหละหลงทางนะไม่รู้จากทางก็หลงทางนะคนว่ายน้ําไม่เป็นสอนคนว่ายน้ําก็จมน้ําตายกันหมดนะคนตาบอดจูง ก, กันไปก็ลงโขลงเหวหมดนะี่มันต้องทําความเห็นชอบให้เกิดทขึ้นนะคือสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปหาลัตถีไหนครูบาอาจารย์ไหนมากมายเลยคําสอนของพระเจ้ายังประดิษฐานยังคงอยู่ไว้ในโลกนี้ ท่านก็สอนทางเดียวมัติมาปฏิทาให้เธอทั้งหลายหัวใจพุทธนานะละความชั่วทําความดีทําความดียังไงล่ะก็คารวะก็บําเพ็ญบุญทําคุณงามความดีทั้งหลายทนะั้งปวงให้ถึงพร้อมรักษาสิ่งทำนาทิเพื่ออะไรเพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเที่ถูกต้องในการทิ่จะละกิเลสเพื่อที่จะทําจิตใจให้บริสุทธิ์นี่หัวใจพุทนาณาลาความชั่วทําความดีทําความดีเพื่ออะไรเพื่อทําให้ใจบริสุทธิ์เนี่ย มีทางเดียวไปหาทางรัดทางสั้างที่ไหนไม่มีหรอกมีแต่ทางพอดีนะถ้าคนเราสร้างไปเย ม, มากแต่ดีบก็ทําไปจันไม่มากก็ไม่รู้ทําถ้าคนสร้างไป ม, มาแต่ดิบน้อยทําัจจัมันต้องหนักหนาตาหักมันนั้นงยากหน่อยมันต้องลำบากหน่อยมันต้องอดทนเรานั่งมาที่มันไม่สงบเราก็เลิกแล้วนั่งไม่สงบก็เลิกแล้วมันไม่ไหวหลวงพ่อเช้าว่าทําให้มันสุดขุดให้มันถึงเย ทำมันสุดที่นั่งมาทีครั้งสองครั้งห้าครัง้งสิครัง้งจะเลิกก็ไม่พบความสงบเลยทาจนพบความสงบลเนีลยเนี่ยทําให้มันพบความสงบวันนี้ไม่พบความสงบพรุ่งนี้ทําอีกพุ่งนี้ไม่พบมาเลยนี่ทําอีกทํามันจนเจอความสงบเะยอมนยถึว่าจะทำไงจิตมันจิตไม่คอมาา่อยสงบอยากจะหากรรมฐานที่รัดหน่อยอยากหาสมไอ้กรรมฐ า, านที่ถูกเจริญหน่อยหายงา่าย ก็มาฐานที่เป็นกลางมีแล้วกําหนดลมหายใจพุโทโธเป็นกลางแล้วแต่เราทําเรามีความเพียันหมั่นเพียรพอไหมมีความอดทนพอไหมเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบให้โยมฟังเรลยเหมือนคนขุดดินหาน้ําอ่ะเขาว่าโบราณเขาว่าในดินมีน้ําชายสองคนเอาจอบกรเสียมเข้ามาก็กดในป่านี้ก็ได้กดไปลุดคนละหลุมคนกดไปลายโอดินแห้งขนาดนี้มีน้ําเหรอมกดห้าเมตรสิบเมตรจะไม่เจอน้ําเลย ในหมู่บ้านบอกเขามีน้าโอ้ยไม่เชื่อแล้วทิ้งจอบทิ้งเทียนเข้าไปในหมู่บ้านประกาศบอกคนเอ้ยฉันไม่เชื่อในดินน้ำฉันมีขุดมาแล้วขุดห้าเมตรสิเมตรไม่เจอน้ําดินแห้งกะตายน้ําไหนมีนู้ดคนโง่เห็นไหมวนาน้ำน้ำมีในดินอีกคนนึงเชื่อบรุรามโบราณเล่าขาเ ล, ล่าขานกันมาในดินมีน้ำติดเมตรไม่เจออดทนยากลำบากต้องอดทนขุดเหนื่อยก็พักมีแังขุดต่อสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรโอไม่เจอไม่เป็นไร ขดต่อฉันไม่ขายความเพียรหรอกสามสิบเมตรสามห้าเมตรตาน้ําโผมพูดไปมักผลไม่พ้นสมัยหรอกมันมีอยู่แต่ทําให้มันสูบคุณมันถึงไ่ะสมาธิมันมีอยู่มันไม่มีใครทําไม่ได้หรอกแต่มันทํายากหน่อยบางคนถ้าเรามีสมาธิริมีมันน้อยมันก็ทํายากหน่อยนะแต่เรามันท้อก่อนขี้เหล่ไปกินก่อนตั้งมาที่ไม่ต้องกับฟุ้งซ่านก็เลยละเพราะไม่มีความอดทนเพราะไม่มีความเพียร ถึงว่าต้องสร้างบา ร, รมีคือความอดทนสันติบา ร, รมีและวิญญาบา ร, รมีคือความเพียรเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาต้องสร้างค่อยๆสร้างขึ้นมาอดทนฝึกนั่งห้าทีต่อไปก็มันสิบนาทีต่อไปสิบห้านาทีค่อยๆเป็นปเองเดี๋ยวนั่งกายเบาจิตเบาจิตมันสขขงบก็นั่งได้นานเองถ้าทุกงงทีไม่ใช่ว่านั่งนั่งมาที่ทีชั่วโมงหรือที่ไหนล่ะทีท่านนั่งมาที่ทีแรกก็ห้าทีนี่ก็สิบนาทีเดียรสิบห้านาทีเดียวขึ้นชั่วโมงก็เคยชินะมันก็ไปได้เอง สำคัญว่าอดทนพอไหมนั่งมาที่สิบนาทีห้าสินาทีล้วเลิกแล้วไม่ต้องไปข่งข้านเนี่ยมันเลิกก็ไม่พบน้ำเนี่ยไม่พบตาน้ํามันคลายความเพียรก่อนน่ะไม่อดทนไม่ต่อสู้น่ะกิเลสก็จะหัวเราะย่อยดีใจทําให้เราไม่พบความโกรธทำให้เราไม่เกิดสติปัญญาเพราถ้าเรพบความโกรเกิดสติปัญญาเกิดกองทัพทําขึ้นมามันเสร็จแล้วมันจะขับไล่กองทับกิเลสคือความโลภความโกรธออกจากบังหลังบังลังหรือใจเรา ตอ น, นี้มันคลองใจเราอยู่อะนะเราต้องหากําลังกองทัพหัวเมืองอื่นมาช่วยกองทัพศีลกองทัพสมาธิปัญญามาโจมตีฆ่าเสกออกจากเมืองนี้ไปเนี่ยมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะยึดคลองพลังใจได้ตอนนี้กิเลสมันครอบงาเมืองเมืองใจเราไว้หมดแล้วมันแผ่สาขาคุมใจเราหมดแล้วเนี่ยความโลภความโกรธความหลงคนเลยติดอยพัสวัตตาสงสารนะเนี่ ย, ถ, นะยถ้าเราต้องต้องสูงกําลังคน กำลังพลกำลัง tag, สเบียงคือศิลกำลังของพลคือ you สมาธิกำลังอาวุธคือสติปัญญาเนี่ยทั้งสเบียงทั้งกำลังพลทั้งกำลังอาวุธพร้อมที่โจมตีฆาตตึกนะถ้ากำลังศีลสมาธิปัญญาเขึ้นแข็งกองทัพของความโลภความโกรธของเลามก็อ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนไปเรื่อยเพราะเราจะบุกโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็พักหนึ่งรังก็ไล่โจมตีต่อเนี่ยก็พักหนึ่งรังโจมตีต่อถ้าจะโจมตีมันกําลังฆาตตึกมันมากกว่าเราก็ต้องถอยมาตั้งหลัก กำลังก็ตึงมากกว่าต้องถอยตั้งหลักต้องรู้จักรู้จักลุกรู้จักหลบรู้จักระีนีรู้จักรช่องสมกําลังถ้าเราหยั่งเชิงแ้วว่ากําลังก็ตึงไม่เท่าไหร่โจมตีเลยโจมตีบทีปั๊บกำลังก็ตึงมากเราหลบไปก่อนกําลังก็ตึงมันแรงเราหลบไปก่อนไปช่องสมกําลังสิ่งนมาที่ปัญญายิ่งหลังโจมตีไม่ดีอมันเนอะมากกว่าเราบาดเจ็บไปตั้งหลักใหม่ช่องสมพลังใหม่เดี๋ยวมี้หลังมากกว่าโจมตีมันก็ถอยร่นถอยร่นไปมันอยู่ในใจเรา ไม่ยากเลยสี่ห้ารักษาให้ได้มันโกงคารวะสมาธิต้องทําทําให้ได้มากได้น้อยก็ต้องทําถ้ามันเป็นนิสัยยิ่งดีต้องมีข้อวัดสําหรับตัวเองข้อเป็นบัตรนะข้อวัดคือข้อบัตรมาตัวเองต้องรู้จักบังคับว่าเวลานี้ต้องเป็นเวลาลนั่งสมาธิกับเดินน้ำกลมนะทีให้เวลาทานอาหารทีสิบห้าทียี่สิบทีถ้าบาง ท, ท, ทีเจอเพื่อนทานชั่วโมงนะ เพิงชั่วโมงชั่วโมงเลี้ยงกันสนุกสนานอาหารใจนั่งมาที่ห้าทีก็ไม่อยากนั่งสิบห้าทีก็ไม่อยากนั่งแล้วทานอาหารสามสี่มื้อก็ลองเด็ดเราลองเด็ดทานอาหารมาลาวสามมื้อเนีน่นั่งมาที่ได้สามครั้งเดีทานอาหารไปกี่นาทีก็นั่งมาที่ได้กันได้ไหมละ่ะมันก็ยากไม่ค่อยได้กันพค่งบอกว่าบางคนว่าโอ้อาจารย์นั่งมาที่ไม่ไมค่อยสงบเลยนั่งทุกวันแบบไม่ทุกวันนั่งกี่ทีสิบห้าที นั่งกี่ครึ่งจะบอกโอ้ยสวยหาความสงบที่ไหนพาเขานั่งเดินมา ก, กว่านั่นวันหนึ่งเขาพีแต่นั่งมาที่ถ้าพาที่ตั้งตั้งใจนะ่เนี่ยพอที่ที่โยโยเห็นพาฉันเสร็จไปล้างบาทเช็นบาเนี่ยประเพณีอระยะประเพณีของพาที่ตั้งใจนะพอล้างบาทเช่นบ า, าเสร็จท่านทำอะไรกับพุติสาบผ้าเรียร้อยแล้วเห้องน้ําแปลงฝันทําธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วท่านจะเดินลงกรมเดินกรมโดยมากก็ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสาบไป จนถึงเวลาทำกิจใบสามไม่ใช่คืนพักน้อยอาจจะพักหลังเที่ยงนิดหน่อยยิ่มน้อยครึ่งชั่วโมงยี่มมากชั่วโมงในบางคนไม่พักจะทำสีิสมาธิก็ทำไปเลยเนี่ยเขาทำมากไม่ทำน้อยก็าทำมากแต่พวกเราไ ม, ไ, มไม่ค่อยเห็นประโยชน์กัน พูดมากกว่าแค่นั้นแหละฟังทำอะมากแล้วได้ทําเองนะอืมฟังทรอะมากเรลือแต่การปฏิบัติของเราอะ่ะต้องมาทําเองครูบาอาจารย์เป็นแต่เป็นแต่เพียงบอกทางขี้แนวเราต้องมาทําเองนะผมว่าชาท่านว่าผลไม้เนี่ยมันหวานมันกรอบนะมันอร่อยแล้วรับประทานแล้วเธอยังไม่รับประทานเธอไม่รู้หรอกเธอต้องไปรับประทานเธอต้องลองทําเองสมาธิมันสงบยังไงมีปิติยังไงมีความสุข มีเบรคขางไงจิตนั่งสงบเงยือกเย็นไงต้องไปชิมเองนะพุทธเจ้าชี้ทางบอกทางเท่านั้นนะแต่วกต้องดําเนินเองตามร อ, อยของท่านนักตาสีหน้ามันคมทำสมาธิพยายามทำมีสติปัญญาพิจารณามีอารมก็พิจารณาละอารมณ์ไปถ้าจิตส่างจากลมก็มาพิจารณากายพิจารณากายนี้พิจได้ตลอดเวลาทาละร่างกายก็พิจารณาได้เห็นเปไน็นโมิลกุลสาผมตัดผมก็พิจารณาได้นะ ตัดเล็บก็พิจารณาได้เล็บเราเนะี่ยส่วนที่คนแข็งคือเล็บตัดออกมากนะ็มันเป็นธาตุดินนะมันไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตอะไรพิจารณาได้ไม่ใช่ไหรเพิว่าไม่ใช่เฉพาะพิจารณาในสมาธิพิจารณาได้หมดนะให้ความคิดเห็นแค่นี้เนาะดีไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมตามได้อืม อออื ม, อมต้องไปเสริมกําลังสมาธิ <c oughs> มันจะมีสติตั้งมั่นนะซึ่งว่าต้องการจะเสริมสร้างให้มีสติตั้งมั่นต้องทําสมาธิมันจะส่งผลให้มีสติตั้งมั่นในปัจจุบันมันจะเริ่มเห็นอาการขอิตเห็นอารมณ์ของกิเลส น, นะพยายามแล้วพยายามอยู่ในบททั่วไปพยายามตั้งสติกํากับจิตใจเราไปตลอดถ้า ไต่รูปผูดินเสียงเขาเรียกกระทบลมอารมณ์เกิดขึ้นในตับเรามีสติดูดูอารมณ์นั้นแล้วก็พิจารณาล่าลามโน้อกจากใจนะถ้ากําลังสติปัญญาไม่เพียงพอให้กลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาพุโทโธสักสองสามทีเดียวอันนั้นหายไปเป็นวิธีตั้งสตินะทำสมาธิทําำสมาธิในเ ย, ยบททั่วไปตรงนี้เราเป็นการฝึกที่ยกกั่กองอารมณ์ที่ไม่ดีใจากใจอย่าให้อารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตาม เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการละอารมณ์ที่มีเดียวไปเราพยายามไม่ให้สร้างอารมณ์ที่ดีไวพัฒนาจิตใจเราให้มันดีให้มันสาดให้มบรสุด <c oughs> เราก็ไปทํามาแล้วกันเนาะไม่เคยมาก็หนังสือแผ่นธรรมะหยิบได้นะเอาไปได้แล้วก็ไม่เคยมาวัดก็จะไปกราบพระธาตุก็ได้เดินไปตามทางนี้ทางนี้นะเดินไ่สุดมีศาลา ย, ย้อมผ้าอยู่ก็มีพระองค์สาริค่ะจะท่าอยู่บนโตะ๊ะพระ พอเพิ่มสารินชาได้ก็เดินไม่ได้นะแล้วก็เดินโค้งไปจะเดินดูวัดก็เดินไปด้านหน้าต่ลามก็จะเดินมาถนนท่านี้จะมาที่จอดรถมันจะเดินน อ, อกอมไปไม่ต้องกลับมาทางเก่าก็ได้เดินไปทางหน้าแล้วก็โค้งมาทางกายก็จะมานี้เราจะเห็นมีทางเข้าเขตผู้ชายที่ไม่บัตรทําก็จะเขียนว่าเขตเขตผู้บัตรธรรผู้ชายของผู้หญิงก็อยู่ตรงข้ามโบสถ์เป็นทางนรลลัดยางไป <c oughs> ทางเข้าโบสถ์ที่ทางก่อสร้างอะ่ะโบสถ์ทางตรงข้ามมีถนนเด็ดยางตรงไป แล้วป่าด้านขวามือเขตของผู้หญิงจะมีประตูเข้าอยู่สองช่องทางซอยแรกกับซอยสองนั่นเป็นเขตผู้หญิงมีสิบสี่หลังมีสิบสามหลังกําลังข้างหลังหนึ่งสิบสี่ผู้ชายมีสิบสามหลังนะถ้าจะดูข้อไปบัตรสําหรับโยมที่จะมาพักที่นี่ก็ที่ห้องพักสะดวกข้าห้องน้นะํา่ะจะมีระเบียบอยู่นะเข้าไปบัตนะอ่อนนะเท่นี้เนาะไม่มีอะไร แล้ววันนี้ไม่ทํางานกันเหรอลาอแล้วพรุ่งนี้เสาร์ที่ก็ไม่ต้องทํางานหยุดหานดีมีอะไรตร้งใจไหมละ่ะไม่มีเนะาะเออต้องไปทําทเองเแหละเกิดเราอดทนพิจารณาความตายแบบที่ว่าทีแรกเนี่ยจะได้ไม่ประมาทนะแล้วพยายามทําความดีให้มันเต็มพร้อมนะ รักษาศีลให้มั่นคงทำสมาธิแล้วมีสติปัญญารักษาใจของเราอย่าให้ใจเราทุกข์อย่าให้ใจเราเศร้าหมองถ้าใจเราทุกข์ถ้าใจเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจถือว่ามัน ต, ติดปกติมันไม่ใช่ใจของเราเราต้องถอยความรู้สึกเหมือนว่าถอยมาเก้าหนึ่งทำความรู้สึกว่าอันนั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจ เ, เราอย่าไปจับความเศร้าหมองอย่าไปจับความไม่สบายใจให้พิจารว่าอันนั้นไม่ใช่ใจ เ, เราไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับใด พยายามอย่าไปยึดมันว่าเป็นใจมันก็ค่อยๆปล่อยนะถ้ามันไปภาวนานเอาคิดเดียนะ้ยเนาะอ่าจะเริ่ตอน